วันนี้เป็นวันเสาร์ที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบอยรสัตว์ผู้มีจิตศรัทธามีความเนื่องใสในพระธรรมคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้า ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษามาปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้ทรมันประเสริฐที่จะนำให้ผู้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง สำหรับสถานที่นี้เราก็จะมีแบ่งไว้สองช่วงด้วยกันคือ30นาทีแรกก็จะเป็นการฟังเทศฟังธรรมแล้วหลังจากนั้นอีก30นาทีก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมจะเป็นการนั่งสมาธิเพื่อทำให้ใจนิ่งให้สงบให้เกิดพลังที่จะสามารถนำมาไปใช้กับปัญญา เพื่อละกิเลสตัณหาที่สร้างความทุกข์ให้กับใจให้หมดสิ้นไปจากใจได้<ม>สำหรับธรรมที่จะเอามาแสดงในวันนี้ก็คือเรื่องวิบากกรร ม, มคำว่าวิบากนี้แปลว่าผลส่วนกรรมก็คือการกระทา วิบากกรรมก็คือผลของการกระทำการกระทำก็มีสองสามชนิดด้วยกันคือการกระทำที่ดีเราก็เรียกว่าบุญการกระทำที่ไม่ดีเราก็เรียกว่าบาปการกระทำที่ไม่ดีไม่ชัว่ว ก็เป็นรมกลางๆนี่คือทาคือการกระทาที่พวกเราได้มีการกระทากันอย่างสม่าเสมอมาตั้งแต่วันเกิดจนถึงบัดนี้แต่เราอาจจะไม่รู้ว่าผลของกรรมนี้คือวิบากกรรมนี้เกิดขึ้นตรงไหนเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ตามหลักธรรมที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่าเรามีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นคำว่าเราในที่นี้ก็หมายถึงใจไม่ใช่ร่างกายร่างกายไม่ได้เป็นผู้กระทาบาปหรือบุญร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือ หรือเป็นผู้รับใช้ใจผู้เป็นผู้สั่งการใจนี้ถือว่าเป็นผู้กระทำเพราะเป็นผู้สั่งให้ทำแล้วผลก็จะเกิดขึ้นที่ใจบางท่านมองไปผลที่จะเกิดผ่านทางร่างกายคือผลที่จะได้รับจากการเจริญหรือการเสื่อมในโลกกระทำ 4ชนิดคือลาบยศสรรเสริญและความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆสิ่งเหล่านี้ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมไม่ได้เป็นวิบากของกรรมอาจจะมีบางส่วนที่อาจจะมีวิบากของกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแต่ธรรมเหล่านี้คือโลกธรรมนี้ มีเหตุมีปัจจัยอย่างอื่นที่จะมาทำให้เกิดความเจริญหรือเกิดความเสื่อมได้เช่นทำกรรมดีทำบุญแต่ก็อาจจะไม่ได้เจริญในลาบยศสารเสริญสุขก็ได้หรืออาจจะเจอความเสื่อมของลาบยศสารเสริญสุขก็ได้ถึงแม้จะได้ทาบุญ พระบุญ น, นี้ไม่ได้เป็นผู้ที่จะทําให้เจริญยศเสื่อมในทางราบยศสารเสนสุขเพียงอย่างเดียวมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นหลายด้านด้วยกันที่ทําให้มีการเจริญยอเสื่อมทางโลกกระทำทั้งสี่เช <c oughs> ่นเดียวกับการกระทําบาปถ้าทําบาปแล้วบางบางท่านก็อาจจะเห็นว่าทําบาปแล้วแต่ยังเจริญยังน่ํารวยอยู่ ยังจเจริญในลาบยศสารเสริญยังมีความสุขจากการเสพ ร, รูปเสียงเกลียดรดต่างๆอยู่อันนี้ก็เป็นไม่ได้เป็นผลของวิบา ก, กรรมที่ที่ใจเป็นผู้กระทาตามหลักธรรมพุธรรมทธเจ้าทรงบอกว่าเราเป็นผู้กระทาคำว่าเรานี่ท่านหมายถึงใจไม่ใช่หมายถึงร่างกายและเราจะเป็นผู้รับผลของกรรม ก็คือใจนี่แหละเป็นผู้ที่จะรับผลของกรรมอีกทีหนึ่งผลของกรรมนี้ไม่ว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาปจะมีการส่งผลอยู่ในสามช่วงด้วยกันช่วงที่หนึ่งก็คือหลังจากที่เราทำกรรมไปแล้วไม่ว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาปเช่น ว, วันนี้เรามาทำบุญกันผลก็จะเกิดขึ้นที่ใจเราทันที คือเราจะเกิดความสุขใจอิ่มใจสบายใจนี่คือผลของการทำบุญในช่วงแรกผลจะเกิดขึ้นที่ใจเราทันทีในทางตรงกันข้ามถ้าเราทำบาปใจเราก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีใจเราก็จะมีความไม่สบายใจมีความหวาดกลัวกับวิบากกรรมที่จะตามมาต่อไป ซึ่งความจริงมันก็เกิดขึ้นแล้วคือความความทุกข์ใจนี่แหละเป็นผลที่เกิดจากการกระทำบาปแล้วก็บุญหรือบาปที่เราได้ทำในแต่ละท้งนี้มันก็ยังไม่ได้หายไปมันยังอยู่ในใจของเราต่อไปเพราะมันยังไม่ได้แสดงผลส่วนใหญ่ส่วนผลส่วนใหญ่ของบุญหรือบาปที่เราทำนี้จะปรากฏขึ้นในช่วงที่สอง ของวิบากกรรมก็คือตอนที่เราตายไปแล้วตอนที่ร่างกายเราตายไปแล้วตอนนั้นบุญและบาปที่เราได้ทำอยู่ในใจของเรานี้ก็จะมาเป็นผู้แย่งดวงวิญญาณของเราให้ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งถ้าบาปถ้าบุญทำบุญไว้มากกว่าทำบาปบุญก็จะมีกำลังมากกว่าบาป บุญก็จะดึงดวงวิญญาณให้ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญบาปก็จะดึงให้ดวงวิญญาณไปอยู่ในอบายทั้งสี่เช่นไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตเป็นอสูรลกายไปนรกนี่คือช่วงที่สองของวิบากกรรมที่จะเกิดขึ้นช่วงแรกก็คือตอนนี้เรา ทำบุญเราก็จะมีความสุขใจแล้วทําบาปเราก็จะมีความทุกข์ใจแล้วบุญแล้บาปที่เราทําแต่ละครั้งมันก็จะสะสมไว้ในใจเหมือนกับเงินฝากที่เราฝากไว้ในธนาคารเราเอามันไปฝากยอดของบัญชีก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราไปกู้เงินจากธนาคารยอดของกู้เงินกู้ก็จะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆบาปกับบุญนี่เป็นเหมือนบัญชี เงินฝากกับบัญชีเงินกู้ที่สะสมไว้พอเราตายก็เหมือนตอนที่เราจะไปปิดบัญชีเขาก็จะมาตรวจสอบดูว่าเงินฝากกับเงินกู้ส่วนไหนมีมากกว่ากันถ้าเงินฝากมีมากกว่าเงินกู้เขาก็มีเงินคืนเราถ้าเงินกู้มีมากกว่าเงินฝากเราก็ต้องเอามาต้องหาเงินมาใช้เขา นี้ก็เป็นบุญกับบาปก็เป็นอย่างนี้ใจของเรานี่ก็เป็นเหมือนธนาคารธนาคารที่เก็บบุญและเก็บบาปไว้ถ้าในช่วงนี้ตอนที่เรายังไม่ตายถ้าเราอยากจะรู้ว่าถ้าเราตายไปแล้วนี่เราจะไปทางไหนไปสวรรค์หรือไปทางอบายเราก็อาจจะสังเกตได้จากความฝันที่เราฝันตอนที่เรานอนหลับ เพราะตอนที่เรานอนหลับนี้ก็เป็นช่วงที่เหมือนกับตอนที่ร่างกายตายตอนที่นอนหลับร่างกายก็ไม่ขยับกเยื่นไม่ทำอะไรช่วงนั้นใจก็ต้องใช้บุญหรือบาปเป็นผู้มาสร้างความสุขหรือสร้างความทุกข์ให้กับใจถ้าฝันดีเราก็เรียกว่าเป็นผลของบุญที่มีมากกว่าบาป ฝันดีก็เหมือนกับไปสวรรค์ตอนที่เราตายไปแล้วถ้าฝันไม่ดีก็แสดงว่าบาปนี้มีมากกว่าบุญตายไปเราก็จะต้องไปสู่ที่ไม่ดีสู่ทุกขติสู่ที่มีแต่ความทุกข์วุ่นวายใจต่างๆอันนี้เราอาจจะสังเกตได้ว่าถ้าเราตายไปแล้วนี่เราจะไปทิศทางไหน เราก็คอยสังเกตดูว่าเราฝันดีหรือฝันไม่ดีเป็นส่วนใหญ่ถ้าฝันดีเป็นส่วนใหญ่เราก็สบายใจได้ว่าเราจะไปสวรรค์กันถ้าฝันร้ายเป็นส่วนใหญ่ก็แสดงว่าใจเรานี้จ ะ, จะต้องไปอบายแต่ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ตอนนี้เรายังแก้ได้อยู่ถ้าบุญมีน้อยกว่าบาปเราก็แล่งทำบุญให้เพิ่มมากขึ้นไป เงินทองต่างๆที่เรามีมากเหลือเกินเหลือกินเหลือใชน้นี้อย่ากเก็บเอาไว้เฉยๆมันไม่เป็นประโยชน์แต่อย่างใดตายไปเราก็อาบุญเอาเงินนี้ไปส่งเราไปสวรรค์ไม่ได้ถ้าเราอยากจะให้เงินนี้ส่งเราไปสวรรค์เราก็ต้อเอาเงินส่วนนี้ไปทําบุญกันทําบุญกับใครก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องทําบุญกับวัดกับพระเพียงอย่างเดียวทําบุญกับผู้ที่เดือดร้อนเช่นตอนนี้ผู้ที่ มีความเดือดร้อนจากภัยน้ําท่วมเราเบริจาคเงินไปนี้เราก็ได้บุญเหมือนกับการที่เราเบริจาคเงินให้กับวัดไม่ต่างกันการให้นี้ไม่ได้อยู่ที่ผู้รับผลของบุญนี้ไม่ได้อยู่ที่ผู้รับแต่อยู่ที่ปริมาณของการให้ให้มากให้น้อยให้มากก็จะได้บุญมากให้น้อยก็จะได้บุญน้อยให้ได้ทุกคนแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเราก็ให้ได้ เช่นเราไปซื้อนกซื้อปลามาปล่อยอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นการทำบุญเหมือนกันบุญมากน้อยอยู่ที่เงินที่เราเสียสละไปบอยจากไปไม่ได้อยู่ที่ผู้รับนังนั้นตอนนี้ถ้าเราฝันร้ายบ่อยๆฝันไม่ดีเรื่อยๆก็เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าในใจเราตอนนี้ได้สะสมบาปไว้มากกว่าบุญ เราควรจะแก้ได้ในตอนนี้ทำบุญด้วยวิธีการต่างๆไม่ใช่เพียงแต่การสละทรัพย์อย่างเดียวเราสามารถสละกำลังแรงกายของเราก็ได้เช่นช่วงนี้เป็นช่วงที่มีภัยพิบัติต้องการจิตอาสาไปช่วยกันไปช่วยกันขนข้าวขนของไปช่วยกันแจกจ่ายของอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นการทำบุญเหมือนกันได้บุญเหมือนกัน แล้วถ้าเราทำบุญมากกว่าบาปต่อไปเวลาเราที่เรานอนหลับเราก็จะฝันดีมากกว่าฝันร้ายนี่เป็นสัญญาณบ่งบอกที่เราจะสามารถดูได้จากช่วงที่เวลาที่เรานอนหลับเพราะตอนที่เรานอนหลับนี่ก็เหมือนตอนที่เราตายแต่เพียงแต่ว่าตอนนอนหลับนี่เราตายแบบชั่วคราวตายแบบห้าหกชั่วโมงอืม แต่ก็จะอยู่ในสภาพจิตใจของเราก็อยู่ในสภาพแบบเดียวกับตอนที่ร่างกายตายไปเพราะจิตใจจะไม่สามารถใช้ร่างกายไปหาความสุขหาความทุกข์ให้กับใจได้ใจเลยต้องอาศัยบุญหรือบาปเป็นสิ่งที่จะให้ความสุขหรือให้ความทุกข์กับใจอันนี่คือช่วงที่สองหลังจากที่ร่างกายตายไปจิตใจของเรานี้ก็จะ เปลี่ยนชื่อเป็นดวงวิญญาณแล้วก็จะไปสวรรค์หรือไปอบายก็ขึ้นอยู่กับบุญหรือบาปที่เราได้สะสมไว้ในใจของเราว่าฝ่ายไหนมีกำลังมากกว่ากันถ้าบุญมากกว่าบาปก็ไปสวรรค์ถ้าบาปมากกว่าบุญก็ไปอบายแล้วก็พอหลังจากไปรับผลบุญผ ล, ผ ล, ผลบาปในสวรรค์หรือในอบายเสร็จแล้ว พอระดับบุญกับบาปนี้มีกำลังเท่ากันคือบุญก็ไม่สามารถดึงไปสวรรค์ได้เพราะบาปคอยดึงเอาไว้แต่บาปก็ไม่สามารถดึงใจไปอบายได้เพราะยังมีบุญคอยดึงเอาไว้อยู่ช่วงนั้นเป็นช่วงที่วิบากกรรมอยู่ในระหว่างคงกระตรงกลางคืออยู่บาปกับบุญมีกำลังเท่ากันช่วงนั้นก็เป็นเวลาที่เราจะได้ไปรับร่างกายอันใหม่ ไปเกิดใหม่ในพพหน้าชาติหน้าต่อไปและพอเราไปเกิดเราก็จะมีผลของวิบากกรรมที่เราได้ทำไว้ติดตัวเรามาด้วยถ้าเรามีบุญมากกับบาปเนี่ยผลของบุญก็จะทำให้เรามาเกิดในสภาพที่ดีคือถ้ามาเกิดก็จะเกิดในฐานะครอบครัวที่มีฐานะการเงินการทองที่ดีมั่งคั่งไม่อดอยากขาดแคลน ร่างกายก็จะมีร่างกายที่สมบูรณ์สมประกอบมีผิวพรรณหน้าตาผ่องใสมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็จะมีผู้ที่ร่วมบุญผู้เรียกว่าคู่บุญแจะพบกับคู่บุญคือคนใจบุญทั้งหลายที่จะมาคอยช่วยสนับสนุนดูแลกันนี่คืออันนี้สงฆ์ขั้นที่สามวิบากรรมขั้นที่สาม คือตอนที่เราไปเกิดใหม่เราจะเกิดดีเกิดแบบมีวาสนาบารมีหรือเกิดแบบอาภัพวาสนาบารมีก็ขึ้นอยู่ที่บุญที่บาปเราทำไว้ถ้าเราลงมาจากสวรรค์นี้เราก็ถือว่าเราลงมาจากที่สูงเราก็จะมีบุญประกบมามาทำให้เรามาเกิดอย่างอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่แร้นแค้นไม่อดอยากขาดแคลนมีชีวิตที่ มีสมประกอบอาการสามสบสองไม่พิกลพิการมีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัยเบียดเบียนต่างๆเป็นต้นนี่คืออ น, นิสง์ของบุญท่านที่สามช่วงที่สามวิบากกรรมถ้าเราทำบาปมามากกวาทำบุญถ้าเราไปเกิดในอบายแล้วเรามาเกิดมาเป็นมนุษย์เรามาจากอบาย เราก็จะมาเกิดในสภาพที่แรนแค้นเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนเป็นต้นมีสุขภาพมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงมีอาการไม่ครบ32มสองมีชีวิตสั้นแล้วก็มีเจ้ากรรมในเวรต่างๆมาคอยจองเวรจองกรรมกับเราต่อไปนี่แหละคือวิบากกรรม คือผลของกรรมที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังจากที่เราไปเกิดใหม่งนั้นผลของกรรมนี้มีมีส่งผลให้ถึงสามช่วงด้วยกัน <c oughs> ช่วงแรกคือช่วงที่เรายังมีคชีวิตอยู่ในตอนนี้เวลาเราทำบุญหรือทำบาปปั๊บนี่ <c oughs> ผลของบุญของบาปก็จะปรากฏขึ้นในใจของเราทันที ช่วงที่สองเวลาที่ร่างกายของเราตายไปแล้วบุญกั บ, บาปก็จะเป็นผู้มาดึงดวงวิญญาณของเราให้ไปอยู่ในสวรรค์หรือไปอยู่ในอบายแล้วพอเราพ้นมาจากสวรรค์หรืออบายเราไปเกิดอีกภพหนึ่งเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งเราก็จะเกิดแบบมีสุขแบบมีวัชนะบรารมีถ้าเราลงมาจากสวรรค์แต่ถ้าเราขึ้นมาจากอบาย เราก็จะมาเกิดในชีวิตที่อับอพับวาสนาบารามีมีเจ้ากรรมนายเวรมีปัญหาอะไรต่างๆตามมาเยอะแยะไปหมดเพราะนี่เป็นวิบากกรรมช่วงที่สามของการกระทาของเราในในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ในขณะนี้ดังนั้นถ้าเราอยากจะให้ชีวิตของเรานี้ <c oughs> มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญ ก็ขอให้เราพยายามทำบุญให้มากมากทำบาปให้น้อยๆหรือถ้าไม่ทำได้เลยยิ่งดีใหญ่แล้วเราจะได้ไม่ต้องไปรับผลของบาปมีแต่บุญรับผลของบุญเพียงอย่างเดียวขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในตอนนี้ถึงแม้เราจะไม่ร่าไม่รวยแต่เราจะมีความสุขมากกว่าคนที่ร่ารวยราะ ความสุขนี้เกิดจากบุญไม่ได้เกิดจากการมีเงินทองมากมายก่ายกองคนที่มีเงินทองมากมายก่ายกองนี้อาจจะมีความทุกข์มากกว่าคนที่ไม่มีเงินเลยเพราะว่าพอมีเงินมีทองมันก็ต้องทุกข์กับเรื่องเงินเรื่องทองทุกข์กับการดูแลรักษาทุกข์กับการที่จะต้องสร้างมันเพิ่มมันให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆมีแต่ความทุกข์ถ้ามีเงินมีทอง เงินทองให้ความสุขเพียงแต่ให้ความสุขทางร่างกายได้เท่านั้นคือให้เรามีปัจจัยสี่อย่างรู้หราก็ได้ถ้าเรามีเงินมีทางมากอยู่บ้านหลังละห้าสิบล้านร้อยล้านก็ได้กินอาหารมื้อละหมื่นสองหมืนก็ได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราไปรักษาโรงพยาบาลเอ ก, กชนก็ได้เสื้อผ้าก็ซื้อเสื้อผ้อาแบรนด์เนมมาใช้ก็ได้อันนี้เป็นความสุขทางกาย แต่ทางใจนี้กัจะมีความทุกข์เพราะทุกข์กับเรื่องของการบริหารจัดการเงินทองแล้วก็ทุกข์กับความกังวลว่าถ้าเกิดเงินทองหมดไปเมื่อไหร่นี้เขาก็จะไม่สามารถอยู่แบบรู้หระอยู่แบบร่ำรวยได้ต่อไปต่างกับคนที่รวยด้วยบุญนีแต่ไม่มีเงินมีทองมากมีเงินทองพออยู่อย่างส ม, มะถะมากน้อยสันโดษ พอมีพอกินพออยู่บ้านก็ราคาไม่กี่ตังค์บางทีก็เช่าเขาอยู่ก็ได้เสื้อผ้าก็ซื้อเสื้อผ้าที่ขายตามตลาดนัดก็ได้อาหารก็กินอาหารบกติข้างถนนก็ได้รักษาพยาบาลก็รักษาตามโรงพยาบาลสามสิบบาทก็ได้เรื่องของร่างกายก็อยู่ได้เหมือนกันแต่ใจกลับสบายกว่าใจกลับไม่ต้องมากังวลไม่ตกกับ เรื่องของเงินทางว่าจะพอกินพอใช้หรือไม่อยาไปเที่ยวไปซื้อของหรูหราได้มากน้อยหรือไม่อย่างไรความสุขเหล่านี้มันเป็นความสุขปลอมความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ความอิ่มใจสุขใจพอใจที่เกิดจากการทำบุญดั <c oughs> งนั้นขอให้เรามีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เรื่องกฎแห่งกรรมนี้เป็นความจริง ที่นํามาสอนเรื่องบุญเรื่องบาปนี้เป็นของจริงไม่ใช่เป็นเรื่องที่ปรุงแต่งขึ้นมาเองมีหลักฐานที่เราสามารถที่จะพิสูจน์ได้ mm hmm. ผู้ที่ได้พิสูจน์แล้วก็คือบรรดาพระอริยสงฆ์ทั้งหลายนั่นเอง mm hmm. อริยสงฆ์ทุกรูปนี้ท่านจะไม่มีความสงสัยในเรื่องของกฎแห่งกรรมเลยเพราะท่านสามารถเห็นท่านมีดวงตาเห็นธรรม mm hmm. เห็นกฎแห่งกรรมอย่างชัดเจนทำบุญก็ได้ดีทำบาปก็ได้ไม่ดีทำบุญก็ไปสวรรค์ทำบาปก็ไปอบายเป็นต้นพระอริยบุคคลทุกทุกองค์นี่จะไม่มีการกระทำบาปโดยเด็ดขาดจะรักษาศีลยิ่งมากกว่าชีวิตถ้าจะต้องแลกแลกกับการรักษาศีลกับเอาชีวิตไปแลกท่านก็ยินดีที่จะสละ พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าให้เราสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะสละอวัยวะเพื่อให้รักษาชีวิตแล้วก็ให้สละชีวิตเพื่อให้รักษาธรรมธรรมก็คือศีลธรรมศีลธรรมนี้มีคุณค่ากว่าทรัพย์มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านก็ไม่สามารถเอาไปปิดประตูบายได้นะมีมียศมีตําแหน่งสูงสูงขนาดไหนเวลาตายไปก็ไม่สามารถที่จะไปปิดประตูบายได้ ถ้าไปทำบาปแต่ถ้าไม่ทำบาปยอมเสียทรัพย์ยอมเสียชีวิตเพื่อรักษาศีลธรรมหรืออย่าไม่ยอมทำบาปโดยเด็ดขาด <Yeah. S 2> เวลาตายไป <Yeah. S 2> ใจก็ไม่ต้องไปเกิดในอบาย <Yeah. S 2> จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆหรือไม่ถ้าไม่ได้ไปสวรรค์ถ้าไม่ได้ทำบุญท ำ, ท, ำทานเลยแต่ไม่ได้ทำบาปเลย <Yeah. S 2> ก็จะไปเกิดกลับไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ ท, ทันที น, นี้คือเรื่องกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายนี้ได้เห็นไ ด, ได้เห็นอย่างชัดเจนจากการบำเพ็ญจิตตภาวนาสามถาภาวนาและวิปัสสนาภาวนาจะเป็นเครื่องมือที่จะเบิกดวงตาที่ทำให้ดวงตาเห็นธรรมเปิดขึ้นมาเห็นนรกเห็นสวรรค์ เห็นการเวียนว่ายตายเกิดเห็นบุญเห็นบาปของสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงได้อย่างชัดเจนแจะไม่มีความสงสัยเลยในเรื่องกฎแห่งกรรมถ้าพวกเราอยากจะพิสูจน์อยากจะเห็นแบบที่พระเจ้าและพระอริยสงสาวกได้เห็นกันเราก็ต้องปฏิบัติธรรมกันเราต้องมาเจริญสตินั่งสมาธิที่เรียกว่าเป็นการเจริญสมถภาวนา ขั้นต้นทําจิตใจให้นิ่งให้สงบให้สว่างขึ้นมาก่อนพอจิตสงบจิตสว่างจิตก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในใจเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นบาปเห็นบุญเห็นอะไรต่างๆแต่ยังอาจจะไม่รู้จักแยกแยะว่าอะไรเป็นอะไรก็ต้องไปขั้นที่สองคือขั้นวิปัสสนาภาวนาวิปัสสนาภาวนาก็จะสอนแจะแยกแยะให้รู้ได้ว่าสิ่งที่มีอยู่ในใจเราขณะนี้ เป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นสวรรค์หรือเป็นอบายจิตใจเรายังไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่หรือไม่หรือจิตใจเรายุติการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วของเหล่านี้เราจะสามารถเห็นได้จากการเจริญวิปัสสนาภาวนาสมะสมถาภาวนาเพียงแต่ทำให้ใจเราสว่างใจเราสงบทำให้เราเห็นสิ่งต่างๆใน ใ, นใจของเราได้อย่างชัดเจนเหมือนกับน้าที่มันขุ่นมัวนี่ ถ้าเราสามารถทำน้าที่ในสระให้มันในสระในลธารให้มันใสได้เราก็จะเห็นตัวปลาที่มีมอยู่ในในลำธารในน้าได้แต่ถ้าน้ามันขุนเราก็จะไม่สามารถเห็นอะไรที่มีอยู่ในน้าได้ฉันใัดใจของพวกเราตอนนี้ยังใจใจของพวกเรายังขุนมัวอยู่กับกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาจึงทำให้เราไม่เห็นบุญเห็นบาปที่เราได้ทำกัน ไม่ได้เห็นผลของบุญผลของบาปที่เราได้ทำกันไม่ได้เห็นอบายเห็นสวรรค์เห็นเห็นอะไรต่างๆที่อยู่ในใจของเราแต่เราถ้าเราเริ่มทำสมาธิทำจิตให้นิ่งให้สงบได้ให้จิตใจใส่ได้เราก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่มีในใจแต่การเห็นด้วยสมาธินี้ยังไม่สามารถเห็นได้ว่าเป็นอะไรเป็นอะไร เห็นอยู่ว่ามีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้แต่ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์หรือเป็นเป็นภัยต่อจิตใจแต่ยังไง mm hmm. แต่พอใช้วิปัสสนาใช้ปัญญามาวิเคราะห์ดูขั้นที่สอง mm hmm. ก็จะสามารถแยกแยะออกได้ว่าอันนี้เป็นบุญอันนี้เป็นบาป mm hmm. บุญทำให้ใจเย็นทาให้ใจสงบบาปทาให้ใจร้อนทาให้ใจทุกข์ mm hmm. ความสงบของใจก็คือ ความสุขของใจก็คือสวรรค์ความทุกข์ความวุ่นวายใจของใจก็คือนรกเป็นต้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีอยู่ในใจของเรานรกสวรรค์นิพพานนี้มันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ในใจของเราเพียงแต่ว่าใจเรามองไม่เห็นกันเพราะว่าใจเราถูกกิเลสให้เราไปหามองหาข้างนอกใจคือให้ไปหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกยลิ่นรสกันเราก็เลยมองไม่เห็น บุญเห็นบาปเห็นนรกเห็นสวรรค์ที่ที่ที่มีอยู่ในใจของเราเราก็เลยไม่กลัวบุญไม่กลัวนรกไม่กลัวอะไรเพราะเราอยากจะได้แต่ลาบยศสารเสริจสุขเพียงอย่างเดียวแล้วเราก็เลยทำให้เราบางบางทีก็กล้าไปทำบาปกันแล้วต่อมาเวลาเรามาเกิดใหม่แล้วเราต้องมารับผลนี่บาปของกรรมของเราเราก็มาบน่นมามาเพอ้อกันว่าโอยทาอะไรมาหนอะ ทำไมถึงยังต้องมาเจอกับสภาพแบบนี้นั่นแหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องของวิบากกรรมที่เราได้ทํามาในอดีตชาตินั่นเองดังนั้นในขณะนี้ถ้าเรายังไม่มีดวงตาเห็นธรรมก็ขอให้เชื่อคนที่เขามีดวงตาเห็นธรรมกันก่อนให้เชื่อพระพุทธเจ้าให้เชื่อพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าว่าท่านเป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมแล้วท่านเห็นบุญเห็นเห็นบุญเห็นบาปเห็นผลของบุญผลของบาปคือนรก เห็นสวรรค์เห็นน mus ิพพานเห็นการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดแล้วขอให้เราเชื่อท่านแล้วปฏิบัติตามที่ท่านสอนให้ปฏิบัติทั้งที้ท่านสอนให้เราปฏิบัติก็มีอยู่ทานศีลภาวนาเนี่ให้ทําบุญทําทานอยู่เรื่อยๆให้รักษาศีลเพื่อละเว้นการกระทําบาปแล้วก็มาบําเพ็ญจิตตภาวนามานั่งสมาธิทําใจให้นิ่งให้สงบเพื่อเราจะได้เห็นสิ่งต่างๆที่มีในใจที่เรายังมองไม่เห็นกัน แล้วให้ใช้ปัญญามาแยกแยะขั้นต่อไปว่าอะไรเป็นอะไรแล้วต่อไปเราก็จะเห็นแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสารกได้เห็นกันอย่างแน่นอนนี่ก็คือเรื่องวิบากกรรมที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาในลำดับต่อไปนี้เราก็จะมาปฏิบัติธรรมกันมาทำใจให้สงบให้สว่างให้ใสเพื่อเราจะได้เห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในใจเรา เชเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นบาปเห็นบุญเห็นกิเลสตัณหาเห็นโมหะอวิชชาเป็นต้นการที่เราจะนั่งสมาธิให้เกิดผลเราต้องการเข้าใจก่อนว่าเรานั่งสมาธิเพื่ออะไรเรานั่งสมาธิไม่ได้นั่งเพื่อให้เห็นนู่นเห็นนี่เราต้องทําให้มันนิ่งให้มันสงบพอมันนิ่งมันสงบแล้วอะไรที่มันมีอยู่ในใจมันก็จะปรากฏขึ้นมาเองไม่ใช่ว่าเรานั่ง ไปเพื่อที่จะไปจ้องหาสวรรค์หานิพพานหาไม่ได้ในเวลานั่งสมาธิแล้วมีอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจเพราะมันไม่ใช่สวรรค์ไม่ใช่นิพพานแต่อย่างใดมันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งของจิตใจปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้นเองเห็ <c oughs> นเวลานั่งนี้เราต้องการทาใจให้นิ่งไม่ให้คิดปรุงแต่งถ้าใจยังไม่นิ่งมันจะคิดปรุงแต่งแล้วมันจะปรุงแต่ง ภาพบ้างแสงบ้างสีบ้างเสียงบ้างรูปบ้างอะไรต่างๆก็อย่าไปสนใจเวลานั่งสมาธิเป้าหมายของเราคือการหยุดความคิดทําใจให้นิ่งให้สงบการที่จะใจจะนิ่งใจสงบได้ต้องมีสติระลึกรู้อยู่กับอารมณ์ที่เรียกว่ากรรมฐานเพราะว่าอารมณ์ของกรรมฐานนี้จะสามารถกล่อมใจให้นิ่งให้สงบได้อารมณ์กรรมฐานก็มีหลายชนิดด้วยกันแต่ที่เราใช้กันทั่วไปก็คือ การบริกรรมพุโทโธพุโทโธอย่างหนึ่งหรือการดูลมหายใจเข้าออกอีกอย่างหนึ่งสองอย่างนี้เราสามารถเลือกใช้ได้เวลาเรานั่งสมาธิจะนั่งไปดูลมไปก็ได้จะนั่งไปบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปก็ได้ <S <S ถ้าเรายังดูลมไม่ได้ยังบริกรรมพุโทโธไม่ได้ใจยังฟุ้งมากก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดมนต์ไปภายในใจสวดบทที่เราจาได้ สวดไปได้เรื่อจนรู้สึกว่าใจเริ่มสงบลงเริ่มหายฟุ้งซ่านแล้วเราค่อยกลับมาดูลมหายใจหรืมอมรบริกามพุทโธต่อไปแต่ขณะที่เราดูลมหรือพุทโธนี้ถ้ามีอะไรเข้ามาแทรกอย่าไปตามรู้ความคิดเข้ามาก็อย่าไปตามรู้ความรู้สึกอะไรที่เข้ามาก็ไม่ต้องไปตามรู้ไม่ต้องไปสนใจเราต้องผูกใจให้อยู่กับกรรมาฐานของเราให้ได้ ถ้าเราใช้พุทโธก็ต้องผูกใจให้อยู่กับพุทโธไปจนไปจนกว่าใจจะนิ่งใจจะรวมเป็นสมาธิ mm hmm. ถ้าเราใช้ลมหายใจเราก็ต้องดูลมหายใจไปอย่างเดียว mm hmm. จนกว่าใจจะนิ่งใจจะสงบ mm hmm. พอใจนิ่งใจสงบแล้วเราก็เกิดความสุขใจขึ้นมาเกิดความอิ่มใจขึ้นมาเกิดความพอขึ้นมา mm hmm. แล้วเราก็จะเริ่มเห็นอะไรต่างๆต่อไป mm hmm. แต่ตอนนี้เราต้องการทําใจให้นิ่งให้สงบก่อน เวลาใจสงบก็พยายามรักษาความสงบของใจให้นิ่งไปนานๆอย่าไปคิดอย่าไปทํารุงแต่งอย่าไปพิจารณาทางปัญญาตอนนี้ไม่ใช่เป็นเวลาพิจารณาทางปัญญาจะพิจารณาทางปัญญาได้ต้องรอให้ออกจากสมาธิมาก่อนออกจากสมาธิมาแล้วพอเห็นอะไรที่มีอยู่ในใจก็ใช้ปัญญาวิเคราะห์ดูได้ว่าเป็นอะไรอย่างไร น, น, นี่คือการนั่งสมาธิที่พวกเราจะมาทํากันอีกประมาณ 2 7นาทีด้วยกันขอให้มีสติและเลิกเลือยอยู่กับกรรมฐานไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจกับเรื่องอะไรต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาแล้วใจของเราจะค่อยเข้าค่อยค่อยเข้าสู่ความสงบไปทีละเล็กทีละน้อยจนในที่สุดก็จะสงบแน่งอย่างเต็มที่ได้ต่อไปนี้เราจะมานั่งสมาธิกันมาเจริญสติกันให้มีสติและเลิกเลือยอยู่กับกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ตอนนี้เวลาสำหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกขอให้สังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วสงบดีไหมถ้าสงบดีก็ให้จำวิธีนั่งของวันนี้ไว้แล้วคราวหน้าก็ใช้วิธีนี้ต่อก็จะได้ความสงบเหมือนวันนี้แต่อย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเหมือนวันนี้โดยที่ไม่รู้ว่านั่งอย่างไรก็จะนั่งแล้วจะไม่สงบต้องจาไว้ว่าวันนี้เรานั่งอย่างไร สงบดีถ้านั่งเรายังไม่สงบก็แสดงว่าสติเรายังมีไม่มากพอควรไปเจริญสติในระหว่างวันด้วยเราสามารถเจริญสติได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับพอตื่นขึ้นมาก็ระลึกถึงพุทโธพุทโธไปภายในใจไปเรื่อยๆทำอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็ใช้พุทโธพุทโธไปแล้วต่อไปเวลานั่งจะสงบได้ง่ายขึ้นแล้วสงบได้นานขึ้น ถ้าตาไปนี้จะขออนุมโมทนาให้พรยะทาวาริวะหาปุราภิริปุเรนติสักหลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปฏิอิชิตังปัชิตังตุมหังคิดปะเมวะสมิชจตุสัปเอปุเรนตุสังกะปา จันโทปนะระโสยถามณนิโชติระโสยถาสัพีติโยวิวัชจันตุสะพารโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายูสุขีตีคายุโปภวะอภิวัตนาสีนิสสะนิจจวุธาปจายโน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 ถ้ามาถามตอนที่เราเลิกกันแล้วจะไม่ได้คำตอบต้องขออภัยด้วยเพราะไม่สะดวกวันนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้มีผู้รับฟังทาง Facebook 266ท่าน y o u t u พระสุชาติไลฟ์264ท่าน Youtube ดรวีท่านวิทยุออนไลน์8ท่าน c ลับเฮาส์หท่าน นากฎุฎิ159ท่านรวมทั้งหมด745ทา่านครับพระอาจารย์เหลืมีชาวต่างชาติถามก็ได้ You got any questions? ครับพระอาจารย์ Go ahead I was just wondering um, about when you have aversion to looking inwards into the present moment in particular, how do you deal with that? Oh, you might have to use some chanting first. If you cannot bring it inside yet, just do some chanting and read the Dhamma Sutta, the Dhamma teaching, or listening to Dhamma talk right now. After you listen and read for a while, your mind might be calmer and more willing to meditate, and you can sit down and meditate. Okay. What you need more is also is mindfulness. So try to be stay, be as mindful as much as possible during the day, not just during meditation. You should start mindfulness, start your day with mindfulness. As soon as you get up, you can start reciting Buddha, Buddha, or keep watching your body movement. And then you will have more mindfulness, and your aversion to getting inside will be less. because you can see that it's nice to be inside rather than outside okay thank you เช่าถ้ามีใครอยากจะถานเข้ามาเลยเข้มาขมานี้หน่อยีขออ ก, การนำสะการครับสอบการบ้าจารย์ว่าเราจะภาวนาพุทธโธ สอนใจให้จิตดวงนี้รู้จักคำว่าพอได้อย่างไรบ้างครับก็ทำตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอ น, นอให้เสียสละมากกว่าโลภอยากได้ให้มีเพียงพออยู่พอกินไปมีมักน้อยสันโดษสำหรับร่างกายเราก็ต้องการแค่ปัจจัยสี่อาหารวันละมือ้อสองมือ้อ เครื่องดูหมก็สองสามชุดก็พอสี่ห้าชุดก็พอแล้วก็ที่อยู่อาศัยก็ที่หลบแดดหลบฝนก็ดูตัวอย่างของพระพระพุทธเจ้าสอนให้พระอยู่อยู่แบบมกน้อยสันโดษแเราต้องทำเรต้องบังคับเพราะใจใจของเรามีกิเลสความโลภอยากได้มากๆอยากมีมากๆแต่เราบอกว่านั่นไปสู่ทาง สู่สู่ความทุกข์ก็ต้องใบคอยหามาอยู่เรื่อยๆตายไปก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราอยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดยุยุติการแสวงหาสิ่ ง, งต่างๆเราก็ต้องใช้หลักมากน้อยสันโดษใช้เท่าที่มีเอ่อใช้เท่าที่จำเป็นนะไม่ต้องมีมากมายเกินความจำเป็นหรือถ้าไม่สามารถมีตามความจำเป็นได้ก็ให้ยินดีตามมีตามเกิด ขาบ้างเกินบ้างก็ตามเวรตามกรรมไปตามบุญตามกรรมไปแล้วเราก็จะอยู่แบบพอได้อขอบคุณครับอาจารย์ครับก่อนในมัสการหลวงพ่อคะ่ะมีความสงสัยว่าพิจารณาความว่างต้องทำยังไงเจ้าคะเพราะว่าพอเวลาบริกรรมพุทธโธ คู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกพอทำไปเรื่อยๆแล้วเคยไม่มีลมหายใจแบบไม่มีที่มันกั้นจะออกแล้วก็ไม่มีที่มันจะเข้ามันควบคุมไม่ได้เลยแล้วก็เลยคิดเป็นว่าตัวเองกำลังจะตายแล้วก็เลยเไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพราะไม่มีลมหายใจให้บริกรรมแล้วก็เลยเสวดมนต์ไปเรื่อยๆ ซึ่งเคยเรียนถามพระอาจารย์บางท่านท่านบอกว่าให้อยู่กับความว่างแต่ว่าอยู่ไม่เป็นค่ะคือความว่างนี่ท่านหมายความว่าว่างปัสแจกลมหายใจสมมติเ ร, เราดูลมหายใจที่ปลายจมกูกเราดูมันเข้าดูมันออกแล้วพอมันเกิดความละเอียดลงไปเรื่อยๆการที่จะเห็นมันให้อย่างชัดเจนเหมือนตอนต้นมันก็ยากขึ้นเราก็ดูตามความเป็นจริง ลมเบาก็รู้ว่าลมเบาลมละเอียก็รู้ว่าลมละเอียดลมหายก็รู้ว่าหายไปไม่ต้องไปควานหาลมให้รู้เฉยๆไปย่านั้นอยู่กับความว่างรู้แบบนั้นเราควาหาลมแปลว่าเรากลัวตายเราคิดว่าคือเราจะตายใช่ไหมคะก็ <stär ker> ส่วนหนึ่งด้วยไม่ต้องกลัวว่าจะตายเลยเพราะว่าลมหายใจยังยังมีอยู่ตราบใดที่เรามีสติและเลิกเลือยู่ไดน้นี่เราจะไม่ตายนไม่มีใครตายจากการนั่งดูลมหายใจเข้าออก เวลาลมมันละเอียดล่า จ, จะไม่เข้าออกบ่อยเหมือนเหมือนตอนต้นก็ไม่เป็นไรให้รู้เฉยๆไปไม่ต้องทําอะไรรู้เหมือนเดิมรู้เหมือนตอนที่เรามีลมให้ดูแล้วก็ดูลมไปเหมือนเราดูทีวีเงี้ยเวลามีภาพเราก็ดูภาพบนจอทีวีไปเรื่อยๆ พ, พอพอภาพหายไปเป็นจอว่างเราก็ดูจอไปดูที่เดิมไปเท่นั้นเองไม่ต้องมีปฏิกิริยาไม่ต้องตื่นเต้นตกใจอะไรทั้งสิน้น ไม่ไม่ต้องสวนมนต์ไม่ต้องทําให้รู้เฉยเฉยไม่ต้องควานหาลมอย่าไปบังคับให้ลมหายใจเรื่องเรืองยาวๆออกมาไม่ต้องพยายามให้รู้เฉยเฉยาแลไม่มีเลยไม่ต้องรู้ว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ตายรับประกันได้ไม่มีใครตายจากการนั่งดูลมหายใจเข้าอีกประการหนึ่งที่ขอเรียนถามคือว่าเวลาเจริญสติต่อเนื่องแบบที่หลวงพ่อแนะนําอะค่ะ ก็คือบริกรรมพุทโธคู่กับลมหายใจไม่ต้องลมหายใจไม่ต้องไ ม, ไม่ต้องใช้ลมหายใจถ้าเรามีการเคลื่อนไหวอาบน้ํานั่งหน้าแปลงฟันนี้เราใช้พุทโธพุทโธไปควบคู่กับการดูงานที่เรากำลังทําอยู่อาบน้ำํำเราก็อาบน้ําไปพุทโธไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เท่านั้นเองแล้วาบางทีพอจเจริญสติแล้วมันมันจะมี มีประสบการณ์แปลกๆค่ะเช่นปกติถ้าเราฝันเราก็จะเข้าไปอยู่ในความฝันเลยแต่ว่าพอเจริญสติอยู่ดีๆมันมีตัวไปทักบอกว่าคิดฟุ้งซ่านแล้วมันก็เห็นตัวที่กําลังจะคิดแต่เรื่องราวยังไม่เกิดแล้วก็มีตัวที่ไปทักเบรกว่ากําลังจะคิดฟุ้งซ่านแล้วมันก็มีอีกตัวหนึ่งที่เห็นตัวที่ทักและตัวที่จะคิดดูหนังไปมันเหมือนหนังไม่มีอะไร ไม่ต้องไปทําอะไรดูเฉยเยดูเฉยเฉยแต่ว่าอย่างนี้มั น, มนเป็นเหมือนหนังเรากควกบคุมบังคับมันไม่ได้เราไม่ต้องไปค้นหาสาระจากมันให้ดูเฉยเฉยไปคือหนูสงสัยว่าการที่เห็นแบบเนี้ยมันเท่ากับว่าการเจริญสติมันจะเหมือนพอมีสติมันเป็นเบรกแล้วมันระ ง, งับมโนกรรมหรือเปล่าคะหรือมันก็ไม่เกี่ยวแล้วเราดูเห็นตอนไหนแล้วเนี่ยที่เห็นเนี่ยเห็นเออ เห็นตอนที่เหมือนทําทําภาวนาตอนนอนแต่พอนอนตอนนั้นไม่มีสติแล้วไม่มีสตินะค ะ, ะมันก็เลยจินมันก็เลยเ อ, อกมาเล่นเล่นกลให้เราดูแล้วก็แล้วก็นั่งดูมันไปว่าจินมันชอบเล่นหลอกของหลอกลอเราไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจไม่ต้องยินดียินไล่ให้สักแต่ว่ารู้ไป เ, เหมือนดูหนังเนี้ยดูหนังเราไปควบคุมหนังไม่ได้ไหมว่าให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ อน้ำก็อยู่ที่ผู้กํากับเขาถ่ายมาให้เราดูอย่างไรเราก็ดูอย่างนั้นไป<ม>ถึงที่ปรากฏในใจแล้วก็อยู่ที่สังขารความคิดปรุงแต่งของใจนี่นะี่ะเป็นผู้ผลิตขึ้นมามก็ให้รู้ทันแล้วปล่อยวางขึ<ม>้นมาเดี๋ยวมันก็หายไปไม่ไม่มีคําถามแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะใจนะ Sorry, just one more question. Um, just in regards to the budo, is that literally all you're doing? You you just breathe in and out, reciting that mantra. Is there anything else that you should be doing? No. I, when I say mantra, just mantra alone. Doesn't have to link to anything. You don't have to watch your breath if you use mantra. Just b u n t o a alone itself is good enough. Unless when you meditate and you're watching your breath, and you find that your your thought still s active, you can use the mantra to help you. Like when you breathe in, you say b u t when you breathe out, you say "to". b u t d o b u t o To stop your mind from, from thinking about other things. Right, but it doesn't necessarily have to be with the breath. No. y okay. It can i can be either either mm. or both, either one or both. Right. Breath alone, butto alone, or both, breath and butto together. Okay. So it's up to you which which method works for you. You choose that method. Mm. Okay. a l right. Thank you. a l right. And when you are mindful during the day, be mindful of your body movement. Don't watch the breath because the breath is difficult to watch, and you have to watch what you're doing also. So if you're not watching what you're doing, you might do something wrong, fall down, or you know. So when you move, your body is moving, then you have to watch the movement of the body. And if you want to use bhuto the mantra together with that, that is also possible. You can use either one. But when you're moving, you have to be mindful of your body. But when you're not moving, then you can be mindful of your breath, or mantra, or both. Right. Okay. มีคำถามจากทางหน้ากุฏิค่ะพระที่บวชแล้วไม่ได้ปฏิบัติสวดมนต์และบิณฑบาตจะเรียกว่าพระได้ไหมเจ้าคะเฮ้ยเราไม่รู้หรอกคุณก็ไปตัดสินใจเอาเองก็แล้วกัน ทำไมต้องไปตัดสินเขาด้วยอ่ะเขาเป็นอะไรแล้วเราเป็นอะไระเราเป็นพราห์เราเป็นผีอยู่นะตัดสินตัวเราดีกว่าดูตัวเราดีกว่านะถ้าเราเป็นผีก็รีบแก้ไขเสียอย่ า, ามาเป็นผู้พิพากษาวันวันหนึ่งนั่งแต่ตัดสินว่าคนนั้นเป็นพราหคนนี้เป็นผีไม่มีเกิดประโยชน์อะไรกับเราหรอกพระุทธเจ้าบอกให้มองตัวเราอย่าไปมองคนอื่นมองคนอื่นก็ดูเพื่อเอามาสอนใจเราถ้าเขาไม่ดีเราก็อย่าไปทําตามเขา ถ้าเขาดีก็พยายามทำทำตามเขาแต่ไม่ใช่มาดูเพื่อมาตําหนิติเตียนอะเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะทำกันจากทางหน้ากุติค่ะเวลาไปไหว้พระตามวัดต่างๆเราควรจะอธิษฐานหรือขอพร อ, อะไรคะคําว่าอธิษฐานนี่มันมีสองความหมายนะความหมายทางโลกก็คือขอนน่นขอนี่นขอร่ําให้รวยขอให้ได้แฟนดีๆขอให้ อะไรต่างๆอันนี้เป็น อ, อธิษฐานทางโลกอธิษฐานทางธรรมหมายถึงความตั้งใจความปรารถนาเช่นอยากจะปฏิบัติธรรมอยากจะออกบวชอยากจะทําบุญทุกวันอย่างนี้เรียกว่าอธิษฐานทางธรรมอธิษฐานที่เหตุคือการกระทําของเราแ้วเราไปการาบพระก็บอกว่าขออธิษฐานจะปฏิบัติตามคําสอนของผู้เจ้าทุกประการตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันตายให้อธิษฐานแบบนี้ จากทางอินบ็อกค่ะสอบถามพระอาจารย์ครับเวลานั่งสมาธิน้ำลายออกมากินน้ำลายได้ไหมครับหรือมีวิธีไม่ให้น้ำลายไหลออกไหมครับไว้มันไหลไปไม่ต้องไปกังวลกับมันอย่างเราจะเสียสเตเสียสมาธิแล้วจิตจะไม่สงบไม่นิ่งไม่เป็นไรนะน้ำลายมันอยู่ในตัวเรามันออกมาเดี๋ยวเราเลิกนั่งสมาธิแล้วก็เช็ดมันออกไปก็ได้เอานะ้ำมาล้างออกมันก็ออกไป แต่มันถ้าไปกังวลกับมันมันจะทําให้เรานั่งสมาธิไม่ได้ผลงั mm ้น hmm. อย่าไปสนใจเวลานั่งมันจะคันก็ไม่ต้องเกาน้ําลายจะไหลก็ไม่ต้องกลืนปล่อยมันไปร่างกายรู้สึกเอ็นไปทางซ้ายก็ไม่ต้องขยับเอ็นไปทางขวาก็ไม่ต้องขยับพอเราเริ่มภาวนาแล้วให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธหรืออยู่กับลมที่เราใช้เป็นอารมณ์เพียงอย่างเดียวจากทาง Facebook นะคะ น้องกราบสาธุราารา ar, พระอาจารย์เจ้าค่ะลูกขอความเมตตาพระอาจารย์เรียนสอบถามว่าฟังธรรมกับพระอาจารย์หน้ากุติแล้วเกิดง่วงนอนเราสามารถลุกขึ้นไปเดินจงกรมได้ไหรือไม่คะก็อยู่ที่การละเทสะถ้าเราลุกไปเดินมันอาจจะไม่เหมาะสมเพราะคนเหนื่อยเขานั่งกันแล้วลุกเดินก็อาจจะเป็นรบกวนสมาธิของคนเหนื่อยเขาได้<ม>งั้นถ้าเราคิดว่าเรานั่งฟังธรรมของเขาไม่ได้ก็อย่าไปฟัง ไปฟังที่บ้านแทนแล้วถ้าหลับตาท่านง่วงก็จะได้ปิดแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมแล้วเปลี่ยนทำอะไรก็ได้แต่เวลาเราอยู่ในในกลุ่มในที่ประชุมนี้เขาประชุมกันเราก็ต้องประชุมไปพร้อมกับเขาจนกว่าเขาจะเลิกเราถึงค่อยลุกขึ้นมาได้จากทาง YouTube นะคะมีคำทำนายว่าน้าจะท่วมปี73เราควรดำเนินชีวิตระวางใจอย่างไรดีครับกราบขอบพระคุณครับลองไย เราจะสอนให้ปลงตั้งแต่เกิดแล้วเกิดมาเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายเป็นไม่ได้ถ้าเราปลงได้แล้วมันจะท่วมปีไหนเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นไรมันท่วมเราไว้ห้า ม, มันไม่ได้ใช่ไหมมันจะท่วมก็ปล่อยมันท่วมไปแต่ที่แน่นอนก็คือเราต้องแก่เจ็บตายอย่างแน่นอนเรามาปลงเพื่อใจเราจะได้ไม่มาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายกันจากคุณปฏิพัฒค่ะ รักษาศีลแปดดูกีฬาได้ไหมครับถ้าเลือกปฏิบัติในทางธรรมควรเลิกดูใช่ไหมครับใช่ไม่สนใจทางโลกเลยทางทางกีฬาก็ดีทางมหหสพบันเทถกก็ดีให้ฟังเลือกดูได้อย่างเดียวธรรมะคำถามต่อไปค่ะกลับนมัสการ AG เรียนถามครับข้อที่หนึ่งเหล่าเทวดาจำชาติก่อนได้ ห, i, หรือไม่ครับเออน่อไม่ถามเขาด้วอ ทราไม่ได้สำรวจข้อสองค่ะทำไมมนุษย์จึงจำชาติก่อนไม่ได้ครับคือความจำของแต่ละคนมันไม่มากมันน้อยไม่เท่ากันบางคนความจำดีบางคนความจำไม่ดีคนที่จะความจำดีๆนี่เขาสอบได้ที่หนึ่งเห็นไหมเป็นแพทย์เป็นวิศวานี่เพราะความจำเขาดีไอ้พวกที่ความจำไม่ได้เรียนไม่จบเรียนไม่เข้ามาหาลาัยไม่ได้เอ็นก็เอ็นก็เอ็นเข้าไม่ได้ อันนี้เพราะว่าความสามารถในความจำของแต่ละคนไม่เท่ากันส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ความความพยายามที่จะจดจำด้วยถ้าเราความจำเราไม่ดีถ้าเราพยายามจดจำอยู่เรื่อยๆท่องบ่อยๆท่องสูตรคูณบ่อยๆท่องบทส่วนมุนบ่อยๆเราก็จะจำได้คำถามต่อไปค่ะ ถ้าจิตชอบคิดเยอะคิดมากเราควรทําอย่างไรดีครับให้เป็นอัตโนมัติเวลาสิ่งนี้เกิดขึ้นมาครับไม่คิดพุทโธแทนเปลี่ยนเนื่องจากการคิดนู่นคิดนี้มาคิดพุทโธพุทโธพุทโธหรือคิดคิดบทส่วนมนุ์ก็ได้อิติปิโสภัตตวารหังสามมาสามพุทโธไปจากคุณปฏิพัฒน์ค่ะยิ่งยิ่งมีสิ่งของน้อยคนรู้จักน้อยยิ่งจะเบาสบายใช่ไหมครับก็ลองทําดูสิ คุณทัศนีนะคะจากท้องด็ตรวีค่ะผู้ปฏิบัติธรรมหรือพระอริยบุคคลเวลาเกิดเหตุการณ์ทำให้เสียใจเขาเสียใจร้องไห้กันไหมคะหรือเจอเหตุการณ์แต่ไม่เสียใจเลยหรือเสียใจแต่สัสกแต่ว่ารู้รู้ว่าเสียใจเจ้าคะ เ, เรอให้เป็นก่อนว่ากันของพวกนี้ยังไม่เป็นไม่ต้องไปกังวลนะให้มยนะ พรอาจารย์บอกเป็นสันทิิโกธรรมะนะงั้นอย่าไปสนใจว่าเขาเป็นอย่างไรสนใจว่าเราเป็นอย่างไรดีกว่าเราเป็นอริยะหรือยังถ้าเป็นก็เราจะได้รู้ว่าเราเป็นอย่างไรอ่ามีขาประจำไหมอะไรนึ่ง <c oughs> อี้อยากจะรู้อะไรอีกวันนี้อยากรู้เรื่องก็มาถานค่ะอะก็มาถานคืออะไรคะพระอาจารย์ <c oughs> ก็อารมณ์ที่เราใช้ผูกใจไว้ ไม่ให้ลอยไปกับความคิดไงเช่นดูลมหายใจเข้าออกนี่ก็เป็นกรรมฐานอย่างบริกรรมพุทโธพุทโธก็เป็นกรรมฐานอย่างอารมณ์อารมณ์มที่ผูกใจไม่ให้ลอยไปกับความคิดเพราะจิตจะได้รวมเป็นสมาธิได้มีอยู่สี่สิบชนิดด้วกรรมฐานกรรมฐานบางอย่างก็ก็ก็เป็นประโยชน์ให้เกิดสมาธิกรรมฐานบางอย่างก็เป็นประโยชน์ให้เกิดปัญญานี่ถ้าเราพิจารณาอสุภาษณนี่อ เนี่ยอันนี้ก็เป็นกรรมฐานอันนี้เป็นประโยชน์ให้กับก็ให้เกิดปัญญาหรือพิจาณาโม น, านุสติคิดถึงความตายอันนี้ก็เป็นปัญญาพอคิดถึงความตาย บ, บอ่อยๆมันก็จะได้ทําใจโปร่งใจเสีย<ม>แต่บา ง, บางอารมณ์มันจะเป็นแค่สมถะเป็นแค่สมาธิเช่นพุทโธพุทโธสวดมนุษยดูลมหายใจเข้าออกนี้จะเป็นสมถะทําให้ใจสงบแต่ยังไม่เกิดปัญญา ค่ะมีอีกหนึ่งคำถามค่ะทำไมสถานที่บางที่ค่ะเราสวดมนต์เรากับม่วงนอนแต่สถานที่บางสถานที่มันสุกสดชื่น ม, มันเกี่ยวกับบรรยากาศแสงสีหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะมันก็มีส่วนจิตใจเราถ้ามันถูกกับบรรยากาศชนิดไหนมันก็จะรู้สึกว่ามันก็จะสงบได้ดีกว่าเฉะนั้นบางทีการปฏิบัติบางทีก็ต้องคอยไปเปลี่ยนสถานที่ไปหาสถานที่ว่าที่ไหนจะดีกว่า แต่ไม่ใด้อยู่ที่สถานที่อย่างเดียวนะมันมีถ้าเป็นปันจจัยหลักมันอยู่ที่สติเป็นตัวสำคัญกว่าถึงแม้ว่าสถานที่ดีถ้าไม่มีสติก็ฟุ้งซ่านได้เหมือนกันยังต้องมีสติก่อนแล้วเราถึงสามารถไปเลือกว่าที่นี้กับที่นั้นอันไหนดีกว่ากันได้แต่ปัญหาต้องต้องต้องแก้ที่สติก่อนต้องมีสติก่อนถ้าไม่มีสติไปที่ไหนมันก็ไม่ดีมันก็ฟุ้งค่ะ เข้าใจไหเข้าใจค่ะเอสถานที่นี้เขาเรียกว่าหนึ่งในสัปปายะสัปปายะนี่มีอยู่สี่สี่ห้าอย่างด้วยกันเขาเรียกว่าสัปปายะก็สบายเป็นสถานที่ที่สบายต่อการภาวนานะสถานที่หนึ่งก็ที่ไหนที่สงบสงัดมีเมฆไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปอย่างนี้ก็อาจจะเป็นสัปปายะสถานทีปป่แล้วบุคคลที่เราไปอยู่ด้วยปฏิบัติด้วยก็เป็นเป็นปัจจัย ถ้าเป็นคนชอบวุ่นวายชอบทิชอบชวนไปคูดไปคุ ย, ยกับคนที่เขาสงบสงบเตรียมตัวไม่มายุ่งกับเราอันนี้ก็เป็นบุคคลสปายะแล้วก็บุคคลที่เป็นสปายะก็คือบุคคลที่ให้ความรู้กับเราเช่นครูบาอาจารย์อันนี้ก็ถือเป็นสปายะได้แล้วก็อาหารสปายะอาหารบางทีเราไปอยู่บางภาคที่เราไม่เคยกินอย่างเงี้ยเอาไปกินอาหารที่เราไม่เคยกินมากินไม่ลง มันก็จะไม่เป็นสัปปายะเมืนได้นั่นมันก็มีอยู่สี่สัปปายะอาหารสัปปายะบุคคลสัปปายะสถานที่สัปปายะแล้วอากาศสัปปายะบางคนชอบอากาศร้อนบางคนชอบอากาศเย็นบางคนชอบอากาศชอบหน้าฝนอย่างนี้ก็แล้วแต่จลิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันเ่าขอบพระคุณค่ะ Yes, n e m sorry, just Rajan. m um, just clarifying with walking meditation. Then, do you do the b u d o a recitation or just focusing on the walking? Either one or both, you can use. Watch your feet. Watch your watch. Watch your step as you walk. You have, you must watch your step at first. If you're not watching your step, you might step into something or run into something. So you have to keep watching what, what you're walking, what what what your step is, stepping. But if you watch your step and your mind still think about this and about that, then you can use the mantra. g right. Both. Okay. But the the principal watch should be the step. Make sure that you don't run into something, step on something that it can be harmful to you. Right. Like stepping on a snake or something like that. If you're not watching your step. Yeah. Okay. So using the mantra when when it's necessary. If t it's helpful to you, if it's not helpful, just watch your step. Okay. Alone. Thank you. Gặp Namastkar, Long Pho, Jo Khà. Pương Jà Lớm Báti Bát Này Rúp Bạp Ma Đai Bảmán Bì Khrưng. Lạo Cửật Kham s <laughs> า t Tà Ma j า Khà. ก็ตั้งจิตปรารถนาว่าจาอยากบรรลุโสดาปติมัคโสดาปติผลภายในชาตินี้อยากจะกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปได้หรือเปล่าเจ้าคะได้เป็นไปได้พระเจ้ารับประกันเจ็ดวันก็ได้หรือเจ็ดเดือนก็ได้หรือเจ็ดปีก็ได้ไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่วัยอยู่ที่ว่าสามารถปฏิบัตมิมรรคได้หรือเปล่ามรรคที่มีองค์แปดหรือศีลสมาธิปัญญาศีลอย่างนั้นก็ต้องศีลศีลแปดขึ้นไปอ่า แล้วก็สมาธิก็ทําใจให้รวมเข้าเป็นสมาธิเป็นฌานให้ได้พอได้สมาธิได้ฌานแล้วขั้นต่อไปก็พิจารณาร่างกายว่าไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นดินน้ํานมไฟท่านี้เราก็สามารถบรรู้ได้แนละ้วกลับสาธุเจ้าค่ะปล่อยวางร่างกายได้อยังอ่ะปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายได้ยังมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นคนใช้เราเราเป็นดูแลมันดีจนเกินไปทำไม ยังไม่ได้ก็ต้องพยายามศึกษาเตาือนใจบ่อยๆสอนใจบ่อยๆว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เรามันเป็นแค่ดินน้ําลมไฟวันหนึ่งมันก็ต้องกลายกลับคืนสู่ดินน้ํำลมไฟไปถ้าเราปล่อยวางได้เราก็จะไม่ทุกข์กับมันเชิญมีคําถามจากช่องดร์บีนะคะกลับนมัส ก, การพระอาจารย์ขอปัญญาในการตัดความหลงครับก็ต้องใช้ปัญญาคือตายรักษนี่ ที่เราหลงเพราะเราเห็นตัวตนเห็นร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราเห็นว่าร่างกายเราจะอยู่ไปนา น, านๆเห็นว่าร่างกายนี้อยู่ภายใต้คําสั่งของเราได้แต่ความจริงมันไม่มันไม่อยู่ภายใต้คําสั่งของเรามันเป็นดินน้ำลมไฟมันเกิดแก่เจ็บตายอันนี้แก้ความหลงอพอดีก็หมดเวลาพอดีสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิพิจารณาไปปฏิบัติ